ท่านฟังที่เคารพคะ่ะรายการสรนสนีสนทนาดําเนินรายการโดยสันสนีนาคพงผ่านช่วงเวลาที่พบกับพระมา ช, ชาคบวโรวัฒนาปรปงลำนุกาคลองสิทธิ์ที่ผ่านมาตอนนี้เราก็มาพบกับพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งนะคะก็คือพระพบูล์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีช่วงลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะคะ่ะน้อมสักการกัะท่านคะ่ะท่าจริ์ปาค่ะท่านอาจารย์คะ่ะสำหรับวันวิสาขบูชา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 ก็มาร่วมประชุมกันอยู่เป็นจานวนมากแล้วก็ได้ประชุมกันทางวิชาการกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ะ, คะมเป็นประเด็นหลักที่ทางยูเนสโกเขาคือดิฉันขออนุ ญ, ญาตนะครับเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับวิสาขาโรกเนี่ยเขาได้คัดเลือกมาให้ศึกษากันก็มีศึกษาแยกออกไปเป็นในเรื่องของอเรื่องของภาวะผู้นาที่นา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 แต่ว่าก็เหมือนปกติไม่มีอะไรมากเราก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรก็ถ้ามีคนมาก็แสดงทำให้ฟังได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของอที่เขาให้ความสาคัญกันมากในระดับโลก<ๆ>ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกโดยยูเนสโกประกาศมามาหลายปีก่อนก็จึงนำมาสู่การที่จัดงานวิสาขะโลกนี่แหละค่ ะ, คะแต่ว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นวันไหนก็เหมือนกันหมดเหมือนกันในแง่ไหนกัท่านคะ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 S <S เขาตั้งเก<ม>้าคนนะคะแต่ว่าคนที่เก้าเนี่ยเป็นประชาชนคนไทยทั้งประเทศ<ม>เป็นทูตสัมมาวาจามีหน้าที่ก็คือโฆษณากันต่อไปเชิญชวนให้คนช่วยกันพูดสัมมาวาจาร์ดี <S <S ดีนะคะอาจารย์ทีนี้มาถึงคำถามของเราคะ่ะการดูลมหายใจขณะขับขี่ยานพาหนะ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 ในในความเข้าใจของดิฉันนะคะส่วนหนึ่งมันเกิดจากเราประมาทอีกส่วนหนึ่งมันเกิดจากเขาประมาทเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุมันก็เกิดได้แล้วนะคือแค่ว่าสมมติเราไม่ดูดลมหายใจเราไปเปิดวิทยุอย่างเงี้ยคุยโทรศัพท์มันก็เกิดอุบัติเหตุได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ได้ทั้งนั้นทีนี้ประเด็นคืออะไรคุนบุญธรรมต้องเข้าใจให้ถูกว่าประเด็นที่เราต้องการคือสติเราไม่ได้ต้องการลมหายใจนะเราต้องการสติเข้าใจปะ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 ค่ะก็ดิฉันคิดว่าในสิ่งที่ท่านเพรบูลพูดเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นห่วงนะคะคือทันทีที่เิียนเล่าให้คุณแม่ตลอดจนคนที่รักข้าใหญ่ดีเราฟังโอ้โ ห, โห ว, วันนี้ขับรถนะพยายามอยู่กับลมหายใจแล้วรู้สึกดีมากเลยทุกคนนะคะตาเหลือกเลยนะใช่คับผมว่า เ, เดี๋ยวก็รถชนหลอกอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะแต่จริงๆแล้ว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 ดูลมหายใจได้แต่ไอ้ที่น่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ท่านไไบร์ทูกล้ารับรองไหมคะว่าไม่เกิดดิฉันไม่กล้าโอ้เกิดอุบัติเหตุนี่มันได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วขณะเราไม่ขับรถมันก็มีแต่ที่อธิมารรับรองได้เลยนะถ้าคือคุณสังเกตลมหายใจจิตคุณจะเป็นมีสติได้และมันดีอันนี้รับรองได้อันนี้รับรองได้ ท่านช่วยช่วยขยายความเพิ่มขึ้นว่ามีสติแล้วมันดียังไงเหรอคะรู้ลมหายใจขณะขับรถมีสติเนี่ยเป็นธรรมอันเอกเลยที่จะทําให้สิ่งต่างๆ ต, ตามมาหมดนะล้วก็มีสติในการขับรถเนี่ยเราก็จ ะ, ะสามารถที่จะควบคุมสติเราเวลารถปาดหน้าแรางต่างได้ดีมากขึ้นนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีได้จริงๆการมีสติแบบนี้ยิ่งทําให้อุบัติเหตุลดลงด้วยซ้ำในการนะที่ระวังจากสิ่งอื่นมานะ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 ถูกต้องเป็นจริงที่ผ่านหรือห้ามกันไหมคะห้ามเป็นอาบัตเป็นความผิดอืมมีเหตุผลไหมคะเพราะว่ามันเคยมีคนเรื่องต้นบรรยายก็คือว่ามันไม้จำระฟันไปติดคอในขณะที่ถ่ายทุกอยู่เบ่งหนักเกินไปอแล้วงเงี้ยก็ติดคองเงี้ยนะ อ, อ๋อก็เลยห้ามเรื่องนี้อืค่ะและการทําสมาธิและวฟังพระบรรยายธรรมไปด้วยได้ไหมคะได้สามารถทําได้สมาธิอยู่ที่จิต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 ค่ะนะคะก็น่าที่จะเป็นคำอธิบายที่พอสมควรแล้วเพราะว่าไม่พอสมควรก็ต้องพอแล้วหมดเวลาค่ะท่านเพิบูลครนะคะวันนี้ก็ต้องนมัสการขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนมัสการค่ะจะเป็นฟอนค่ะพิเรม .com/ 1 0 6นกั่นก็คือที่ที่ท่านทั้งหลายจะถามคาถามมาได้เหมือนกับที่คุณบุญรรมได้ถามท่านเพิบูลมาส่วน0 2 2 6 6ส0นะคะ